ประชุมสงฆ์บัญญัติสิษยาบุตรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุสงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษณ์ทูลนันทาบวชให้ศาชีวินีแล้วไม่อนุเคราะห์ทั้งไม่ให้ผู้อื่นอนุเคราะห์ตลอดสองปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า